พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเปิดใจไว้ใส่บุญต่อไปตั้งใจอยู่ในความสงบเรืะะ่องคณาทายญาติโยมลูกหลานเน้อ วันนี้เมื่อพระสงฆ์กุบาอาจารย์ให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีหนังสือแจกแต่ตามเมื่อคืนหนังสืออันนี้เป็นหนังสือเก่าแต่ถ้าว่าศรัทธาญาติโยมผู้ใด ย, ยังไม่เคยได้นะก็เอาไปได้แต่หนังสือรุ่นเก่าจะมันยังเหลืออยู่แต่เนี่เป็นหนังสือที่ว่าล่าสุดเนะี่ยยังเล่มนี้แต่กระแจกมาหลายครั้งแต่ามาที่นี่นะแต่หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับนายหลวง ขุนวสินขุนวสินกับคณะเขาคัดสรรพระโอาวาทของในหลวงออกมาเป็นย่อๆหลวงพ่อฟังดูเป็นคําคมเป็นคําคมนําไปปฏิบัติได้เลยเนียเขามาถวายหลวงพ่อมุขข้าวก่อนเขาถวายมาพันเล่มนะอันนี้นก็ยังเหลืออยูน่นี่ถ้าบอ า, าพวกเราศรัทธาญาติโยมเมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้วก่อ เวลาจะกลับรก็หยิบได้นะหนังสือนะแต่ว่าผู้ใดได้แล้วอย่าไปเอาไปนะเ้าไปไปถึงบ้านนี่ยจะทำยังไงมันมากเกินไปเอาช่างกิโลขายหลมรดฐาเอาหนังสือธรรมะไปช่างกิโลขายเพราะนั้นแต่หนังสือทุกเล่มนะเ น, นี่ยท่านรัตนโอ่งที่สามท่านกันกรองกับคณะคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกสรรแล้วสรรอีก แล้วก็เอามาลงในหนังสือเป็นหนังสือูลดิธิวิริยณะศีลวันคือหนังสือของท่านองค์ขบมลตีดรเตอร์ชาวท่านบอกว่าอาคารเรียนผมก็สร้างเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ผมก็ทำสร้างวัดว า, าศาสนาอาคารศาลาและผมเคยทำมา แต่ผมโค้งสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะทำหนังสือธรรมะแจกให้กับพี่น้องประชาชนถึงจะแจกไปมากสักร้อยคนแต่คนหนึ่งรู้แจ้งเห็นจิมทุกบทประทับใจในธรรมผมผมขอเพียงคนเดียวในร้อยคนทันววาอย่างนั้นนะท่านไม่ได้หวังมากนะแต่ทุกพ่อว่าคงจะมากนะกท่านพวกเราคณะสัยตยาญาิโยมใส่ใจสนใจ อ่านหนังสือตรงพ่อเองมั่นใจว่าหนังสือที่คัดสรรมาแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เราพวกเราที่ได้ฟังได้ฟังได้ศึกษานะ่ะเพราะฉะนั้นให้พวกเราเอาไปอ่านดูนะทั้งสือทั้งหม ด, ดนะนีแต่เล่มนี้เท่านะั้นแหะที่เป็นของคุณวศินนะแต่นอกนั้นก็เป็นมูลนิธิที่กองกองไว้นะ่ะหยิบไปเอาไปศึกษาแต่ผู้ใดได้แล้วก็ไม่เอาเพราะว่าหนังสือ สเล่มเหมือนเคยแจกมาคนก่อนจนหมดแล้วนะหมื่นหมื่นมื่เล่มนะอยา่างละหมื่นเล่มตอนนี้ก็หมื่นเล่มเหมือนกันแต่ก็แจกเพิ่งแจกใหม่ๆมาตัวนี้สุดท้ายนะแต่ตัวนี้แจกวันนี้เป็นวันแรกยังไม่เคยแจกเลยเล่มนี้เพราะนั้นชัดไทยญาติโยมผู้ใดหยิบไปอ่านเนอะไปศึกษาธรรมะ ว, วันนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแต่ก็ก้าวนาฬิกา 6นาทีแล้วนะเก้าโมงเชานะ้าแล้วโหวันนี้อาหารของเรามากกว่าคนถ้ามองคนดูแล้วก็อาหารได้มากกว่าเพราะนั้นให้พวกเราคณะสัตยาญาิโ ย, ยมทุกท่านนะทานอาหาร เ, เพียงพอซะก่อนนานๆพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันหลวงพ่อลงมาคราวนี้ อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี่ยหลวงพอ่อคงไม่ได้ลงมาแต่หลวงพ่อจุดใจขั้นขนมีจดหมายไปนะนิมนต์หลวงพอ่อแต่หลวงพ่อคงไม่ได้ลงมาศรัทธาญาติโยมเพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเนี่ยหลวงพ่อไปจัดการลำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํานะที่มุกดาหารที่หลวงพ่อไปสร้างเจดีย์ถวายทันแล้วนะเราก็จะปล่อยป่าละเลยจุดนั้นก็ไม่ได้ ปนหลวงพ่อหลวไปก็เลยไปทุกปีอาทิตย์สุดท้ายชนกันกันกบสวนแสงธรรมวัะนั้นขาฝากไว้กับลูลกหลานคณะสัทายาชย์โยมทุกคนนะถึงหลวงพ่อจะไม่มาใครให้พวกเรามาช่วยๆกันดูธนุบำรุงสวนแสงธรรมของเราเป็นมรดกขององค์หลวงตานะที่ท่านได้ฝากฝังไว้กับพวกเราทุกคนนั่นแหละหมาช่วยกันถอดผ้าป่าสามคนะีเพื่อบำรุงสวนแสงธรรม วันที่26มีนาแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะเป็นวันอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อเท้าความให้คณะทายาิโจมด้วยฟังหลวงพ่อออกมาจากตีสเมื่อวานในตีสีครึ่งออกจากวัดนะเอ่อนั่งรถมามาที่ขอนแกน่นเพราะว่าทางแบง์ชาติเขาไปเปิดสาขา ส่วนภูมิภาคอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนเขาก็เชาเ่าเช่าที่ดินของคนอื่นแต่บัด น, นี้เป็นของของแบงคชาติแล้วเาก็เลยไปเปิด เ, เป็นสำนักงานาส่วนหนึ่งของอาภาคอีสานโอ้สำนักงานเขาใหญ่นะกับท่านผู้ว่าแบงคชาติเป็นประธานากับหัวหน้าส่วนราชการเข้าไปรู้สึกว่าอบอุ่นเมื่อวาน ครูบาอาจารย์พระโสมกมิแต่ล้วนแต่เกจิเกจินู่นแหละแต่หลวงพ่อไม่เป็นเกจิกระทานนะหลวงพ่อเนี่ยนั่งเกือบองค์ที่สิบอู่นะแต่นั้นก็ท่านคุ ก, กมายี่สิบกว่าเกือบสามสิบองค์เมื่อวานเนี่มาเปิดสำนักงานแบงค์ชาติพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้ลงมานั่งเครื่องจากขนแก่นลงมากรุงเทพมาถึงสวนแสงธรรมก็ใกล้คำเพราะรู้สึกว่า เครื่องจากขนแก่นลงมากรุงเทพเนี่ไม่มากเหมือนอุดอรเ อ, อลกลรกรนนี่ก็ได้มาฉันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะไปฉันที่มูลดิธิธรรมดีของคุณดนาจันเจ้าชายที่ท่านได้ประวัลณาเนื่องเทียนหลวงพ่อไปฉันวันพรุ่งนี้อันเนื่องจาก นี่แหละน้ำท่วมวัดหลวงพ่อเนี่ยแหะตั้งแต่วันที่8ที่9พุทพจิกายนหลวงพ่อก็ซ่อมอกำแพงซ่อมอสะพานซ่อมถนนหน ท, ทางาที่น้ำท่วมยังไม่เสร็จนะคณะนะสทัทธาญาติโยมโลูกหลานหลวงพ่อก็ไปดูเช้เาดูเย็นในเด๋ยวนี้กำลังซ่อมคอสะพานที่มันจะขาดน้ำกัดโอ้โเบิกวัไปหมดก็ต้องได้ใช้ แรงใช้คนใช้จตุปัจจัยพอสมควรที่ท่านคณะของหมูลนิธิท่านก็เลยไปเห็นมั้งท่านก็เลยบอกขอทำบุญร่วมหลวงพ่อก็ได้ลงมาคราวนี้แหละมารับลักษณะเป็นผ้าป่าที่หมูลนิธิของท่านนะแต่ว่าคุณดนายจันเจ้าชายเคยมาทอดผ้าป่าที่นี่นะถาวายเจดีย์ของหลวงตาเป็นปฐมฤกษ์ก่อนเพื่อนนะ ่คราวนั้นถ้าว่าสุดท้ายแโจมจาไม่ผิดนะทุกคจำไม่ผิดทุนก็หม่อมที่มาเป็นประธานมารับเป็นผ้าป่าจากมูลนิธิทำดีทำดีเพื่อพ่อของคุณดานายจันเจ้าชายนะนี้ทำมาทอดผ้าป่าที่นี่นอันนี้คราวนี้ท่านก็ถวายถวายร่วมผ้าป่าเพื่อบำรุงเสนาจนะที่มันเสียหายสํารุด หลวงพ่อก็ได้ลงมาในคราวนี้พอเสร็จแล้วหลวงพ่ อ, องคงจะกลับถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหนะลวงพ่ อ, องคงจะกลับลอุดรวันพุ่งนี่นะค่ะนักทัาญาติโยมลูกหลานนี่แหละแต่ตามไม่จริงเองหลวงพ่อเองถึงจะมามันมาพลาดมาเกยซะก่อนหลวงพ่อถึงพูดแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไม่ได้หนักใจในเรื่องซ่อมเสนาสนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลมันก็ไม่จําเป็นจะต้อง ทั้งทําทั้งวีทั้งวันทั้งมันมีมาแล้วก็ทําไปทําไม่มีมาแล้วก็งดไปแต่ในีรก็จวนจะเสร็จแล้วล่ะแต่หลวงพ่อหนักใจก็คือพระเจดีของหลวงตาศรัทธายาจูงคงจะได้ยินที่หลวงพ่อลงมาคราวใดหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวแต่คราวนี้ก่อหลวงพ่อก็จ ะ, จะแจ้งข่าวให้คณะศรัทธาญาจูงได้รับผู้รับทราบเหมือนกันนะเพราะว่าหลวงพ่อมาเท่ไหร่เออหลวงพ่อทําไมไม่พูดเหมือนกับมันขาดไป เพราะว่าเจดีของลงตา เ, เป็นหัวใจของพวกเราในท่านทางด้านวัตถุนะอามิทชบูชาแล้วก็ที่ว่าเจดีย์ของลงตาส่วนปฏิบัติบูชานะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านทําเองแต่อามิทชบูชานะ่ยพวกเราจงแสดงออกถึงน้ําใจ ร, รวมกันแต่โดยนี้จะตุกปัจจัยกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ลกล่าวข่าวคราวก่อนหลวงพ่อบอกว่า เราต้องการสามสิบสองล้านแต่พอเราประกาศออกมาได้สาสบ็ดล้านกว่าพอสำหรับเสาเข็มนะแต่ว่าจะมีกระไว้ส่วนอื่นมีไม่มีโอ้โอนข้อบัญชีของหลวงพ่อสุขใจน่ะนะวัดปา่าปันตาท่านยังรับอยู่คงคงจะยังไม่พอจุดที่อาคารน่ะนะแต่เสาเข็มนี่พอแล้วพอก็ต้องบอกว่าพอนะ่ะ จุดนี้พ่อได้ส7ล้านกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็พอเสร็จแล้วเขาก็เซ็นสัญญากันน เ, เซ็นสัญญาเพื่อตอกเสาเข็มกับบริษัททักษินคอนกรีตนะ เ, เดี๋ยวนี้เขากำลังตอกอยู่ได้เองสี่รอกว่าต้นมังคะรัสธา ญ, ญาตโยมนะต้นหนึ่งยาว21มิมตรก็มียีสเมตรสบเ้ามมมเมตรสบดเมตรแต่ถ้ า, าว่ามันตอกไปแล้วมันโผล่ามากๆเขาก็ อยลงอกักษณะอย่า ง, ง น, น, นั้นล่ะเดี๋ยวนี้เกือบคงจะเข้าประมาณ400ต้นละมังที่หลวงพ่อลงมาเมื่อวานเดีย3 300กว่าเกือบ400นะ่ะนี่แหละจะตุปัจจัยตัวนี้หลวงพ่อจูใจกับคณะกรรมการก็เซ็นสัญญา32ล้านอันนี้เพียงพอและก็หลวงพ่อจูใจเซ็นสัญญาสองอย่างในวันต่อมาก็คือเซ็น สัญญาว่าจ้างบริษัทควบ ค, ค, คุมงานก่อสร้างเรียกว่าคอนเซ็ปต์นะภาษาภาษาภาษาภาษาวิศวกรรมของเขานะภาษาก่อสร้างของเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์แปลว่าพวกควบ ค, คุมงานก่อสร้างอันนี้ก็เซ็นสัญญาคณะกรรมการก็เซ็นสัญญาคุณหลวงพ่อสุดใจแล้วอันนี้จ้างสิบสเดือนสามสิบเดือน ที่ให้ดูแลพัสดีเนี่ยอันนี้16ล้าน 600,000 กว่านิดหน่อยอันนี้ก็ได้เซ็นสัญญากันไปแล้วนี่แหละวันที่9ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยมั้งเขาจะรับเป็นเงินล็อตแรกล็อตแรกเนะี่ยคือเดือนหนึ่งเขาไม่ได้ทำทำงานไม่เต็มเดือนแต่เดือนที่สองเนี่ยทำงานเต็มเดือนเมื่อวานนี่แหละวันที่9นะคงจะเบิกจ่ายให้กับบริษัทจัดต้นเห็น เป็นผู้คุมงานไปจากกรุงเทพนี่แหละแต่โอ้มีประโยชน์มากถ้าว่าพวกเราไม่มีบริษัทควบคุมงานพวกเรากันเหมือนกับตาบอดนะไม่รู้จะจูงไปทางไหนแต่นี้บริษัทจะตนเหตุของเขาเคยการเคยงานมาเข้าก็นแนะนําเราก็เป็นผู้จ่ายเงินเขาเป็นผู้แนะนําอันนั้นผิดอันนี้นถูกอันนี้นควรไม่ควรอันนั้นแพงอันนั้นไม่เหมาะสมเอาก็ตรวจราดูให้หมด นี่แหละอันนี้ก็คื อ, อาทางหลวงพ่อจุดใจก็เซ็นสัญญาแล้วนะก็ต่อไปนี้ก็าทางคณะกรรมการด้วยทางฝ่ายวัดก็คงจะหาผู้รับเหมาอะไรสิรับเหมาอาคารคือเจดีสลารายพิพิธภัณฑ์สามอาคารเนี่ยแต่หลวงพ่อก็ได้ถามแยบแยบดูว่าจะได้ผู้รับเหมา เ, าเมื่อไหร่เขาก็บอกว่า ประมาณเดือนพฤษภาครับหลวงพอนะ่อเเดือนพฤษภานะ่คงจะได้พูดรับเหมาอ่แต่ตัวปัจจัยเป็นยังไงถู้จิตใจกันนะั่นะกันวันนั้นละ่ะจะถามดูว่าเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอก็คงจะได้ประกาศบอกกล่าวคณะศิตญาุจิตขององค์หลวงตาให้ร่วมสมทบต่อไปถ้ามันพอแล้วก็เหงามันพอนะแต่คิดว่านาไม่น่าจะพอนะ คําว่าลงคําว่าหลงพ่อกว่าไม่น่าจะพอคํานี้นะพอหลวงพ่อว่าเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อนะไปซื้อเสื้อผ้าถ้ามีแต่ผ้าผ้าย้อมสีดําอย่างเดียวผ้าห่มย้อมสีดําคอกลมราคาก็คงจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าคำว่าประดับตกแต่งเข้าไปผ้าดีผ้าเนื้อดีราคาคงจะแพงขึ้นนี่กัลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าเราจะทําถวายองค์หลวงตาทั้งที เราจะทําแบบเอพอไปได้เอเพียงแต่พอไปได้เท่านั้นเองเนะบรรดาศิษย์ทั้งหลายก็คงจะไม่จุใจนะหลวงพ่อนเองไม่จุใจแล้วพอทําสิ่งไหนพอทําำพอทําไปได้หลวงพ่อเองก็ต้องทําทให้ดีที่สุดจะทํายังไงให้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่หรูหราโออ่าฟู่ฟ้านะคล้ายๆกับให้ทาตามสถาปัตย์ วิศวกรรมรัสถาปัตตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมกับตามโลกสมมุตินะไม่ใช่ว่าจะให้เกินไปนะไม่ใช่ประดับเพชรนินจินดาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทำมศออทำมศออเหมือนกับของไม่มีคุณค่าทั่วไปบางบางแห่งก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเรา ฟังหนูนะคณะชทติญาติโยมทุกหมู่ทุกเราคอยฟังหลวงพ่อเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ผักดัน เ, เป็นผู้ให้ความใส่ใจมองพระเจดียของหลวงตาอยู่ตลอดนะถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะหลวงพ่อเองจะแจ้งข่าวมาทางพี่น้องทางกรุงเทพนั่นแหละหลวงพ่อเราเป็นขุมทรัพย์เป็นสิทธิ์ยาวในสิทธ์ขององค์หลวงตาอยู่ในกรุงเทพเแต่พี่น้องประชาชนในชนนบทกอ็อือเ้าเป็นเครื่องสนับสนุน แต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจนะสิทธิ์ยาวในสิทธิ์ขององค์หลวงตาเนี่ยอย่างมั่นคงอย่างรักเคารพในองค์หลวงตาเอาเอาอะไรมาชี้วัดที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยนะพวกเราช่วยกันเน้อศรัทธาญาติโยมจะสร้างพระเจดีย์หลวงต า, าต้องการเงินประมาณ32ล้านเสาเข็มพ2 5 1ต้นเน้อได้2ี่ิบกว่าวานัานแลน เงินไหลไหลามาเทมาเนี่ยหลวงพ่อก็อือพวกครูราลคณะัทหาญาตโยมอย่างรักเคารพเอ่อย่างศรัทธาในองค์หลวงตาอย่างเหนียวแน่นเนี่ยหลว ง, ง, งพ่อเอาจุดนั้นมามามาวัดนะ เ, เพราะนั้นเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นภายภาคหน้านะก็คงจะเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนศรทยยัทธาญาติโยมอย่างเก่านั่นแหละแต่หลวงพ่อก็ย้านะ ย้ํากับผู้ดําเนินการคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงทําอะไรทําด้วยศรัทธาเนอะไม่ใช่ว่าเราก็ามาทํางานจุดนี้ไม่ใช่ว่าเราทํามาเพื่อล่ําเพื่อรวยเพื่อฉกฉวยโอกาสอแล้วก็จะมากอบโกยเอาเงินจากพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทําบุญนั่นแหละบาปกรรมตัวนี้มันลึกมากๆนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราซื่อตรงซื่อสัตยนะ์เนอลูกหลานเนอะหลวงพ่อเนี่ยมีจะเชิดชูบูชามีอะไรหลวงพ่อเนี่ยช่วยทุ่ม เ, เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาอย่างสุดอกสุดใจนะลูกหลานนะเนอร์พวกลูกหลานก็เหมือนกันนะนะั่นแหละพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้การทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นเราทำํทำทํางานเพื่อ ทำมาหาเลี้ยงชีพแต่จุดนีเ้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราต้องแบ่งกันนะไม่ใช่ว่ามีอะไรจะขายมั่วไปหมด เ, เพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอกอบโกยมาหมดเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนั้นไม่น่าจะถูกนะ อ, อันไหนควรจะแบ่งแยกอันไหนควรจะเป็นหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันไหนควรจะเป็น หาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจมันต้องรู้จักแบ่งนะเะพาะ น, นั่นก็ให้พวกเราคณะทัดทาญาติโยมลูกหลานเดิญอันนี้หลวงพ่อก็บอกมามากต่อมากแต่ทิ้งยังไงก็ตามนะมาถึงจุดนี้วันนี้หลวงพ่อเองก็ขอย้ํากล่าวเตือนให้พวกเราทุกทุกท่านนั่นแหล ะ, ะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นก็คือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอามิตชบูชานะแต่ถ้าว่าทางที่ถูกต้องจริง บุญกุศลเหมือนกับเราทานอาหารเข้าสู่ในบำรุงร่างกายของเราจริงก็คือปฏิบัติบูบชาที่องค์หลวงตาเคยแนะนําสั่งสอนแต่หลวงตาเคยพูดไหมเรื่องอนุมิจบูชาหลวงตากับตำหนินะเรื่องการก่อสร้างแต่ว่าเรื่องช่วยเหลืออย่างอื่นหลวงตาบอกประกาศหาทองคําเข้าคลังหลวงนะปวดเช้าพูดเย็นนะัะแล้วก็ช่วยเครื่องมือแพทย์นะ สาธารณประโยชน์นะอันนั้นหลวงตาประกาศ <c oughs> โพูกล่าวพวกเราได้ยินแต่ว่าเรื่องการก่อสร้างนะลงตาเนี่ยพอพูดก้นมาหลวงตาจะตำหนินะแต่ถึงอย่างไงก็เถอะนะอันนั้นก็คือหลวงตาท่านตำหนิแต่ว่าเราทําเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสิทธิามือสิทธิจุดนี้อันนี้เป็นอามิจบูชาต่อพระคุณต่อผู้บูชาพระคุณองค์หลวงตา เ, เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของแผ่นดินอยู่ชั่วฟ้าดินสลายในเมื่ อ, เ, อ, อเราระลึกชาติได้ในแต่ละลึกชาติคนหลังได้นะในเมื่อเราโอ้ในชาตินั้นแหละเราข้าไปเจ้าเองได้ออกทุนเป็นกําลังหลักส่วนหนึ่งโดยได้สร้างพระธาตุพนมหรือว่าได้สร้างนาคนปรปฐมพระธาตุพนมพระนระนปฐมหรือว่าได้สร้างนาครศรีธรรมราชหรือต้อยสุเ ท, เทพเชียงใหม่ หรือเอท้าววอนวัตถุไว้ในพรธศาสนาพวกเราถ้าระลึกชาติได้พวกเราก็คงจะปราบป่าปลื้มใน จ, ใจิตใจอืมเชาตินั้นไม่เสียชาติเกิดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราได้สร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาคือพระรหัน์นะหลวงพ่อว่าไม่ผิดหวังแน่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดท้งนี้ทางนั้ น, น, น, นก็ไม่ให้พวกเราต้องไปปิดบัญชีทุ่มใส่เจดีย์ของหลวงตาทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกัน ใครให้แบ่งบุญให้แบ่งทำแต่ถ้าไม่ทํำเสยลยหลวงพ่อตําหนิอีกเหมือนกันนะเกิดมาทั้งที่ชีวิตและทั้งที่จะได้บุญได้กุศลน่าจะซื้อหุ้นในจุดนี้กับเมินเฉยอันนี้น่าตําหนิอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคิดดูที่หลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อมีแต่ชี้นาชี้แนะบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้ปัญญาในการสร้างบุญสร้างกุศลจุดไหนควรจะทําหรือจุดไหนไม่ควรจะทํา หลวงพ่อมีจะบอกกล่าวเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นอามิจฉุูชาในพัจดีของหลวงตาและคพร้อมกันอย่าลืมอปฏิบัติบูชาก่อนเนะี่ยที่หลวงตาแนะนำสั่งสอนอย่างไรรักษาศีลอย่างไรภาวนาอย่างไรทำใจให้จิตสงบอย่างไรให้พิจารณาว่าอยู่เสมอว่าเกิดมาทั้งทีชีวิตมรณงเมพอวิจติให้เราระลึกไว้อยู่เสมอเกิดมาทั้งทีชีวิต มาถึงปูนนี้แล้วเราเป็นที่อุ่นใจแล้อยังบุญกุศลที่เราได้สร้างได้สั่งสมมาเนี่ยเป็นที่อุ่นใจแล้วยะถ้าออกจากเดี๋ยวนี้ถ้าเราตายไปเดี๋ยวนี้เราจะไปที่ไหนเนีเป็นที่อุ่นใจแล้อยังเราคงไม่ตกต่ําแน่เราต้องมั่นใจในตัวเองนะเพราะนั้นนี่แหละการสงสังคมคุณงามความดีอยู่ดียเอาจะทํายังไงหลวงพอ่อ ไม่ใช่ว่าจะทำทานอย่างเดียวไม่ใช่เราประกอบคุณงามความดีไหว้พระเสร็จแล้นนวกนะ็นั่งภาวนานะ่นั่งภาวนาเนี่ยนะเป็นการสั่งสมบุญกุศ่อันยิ่งใหญ่เอนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพทุพโทโธพุทโธวันหนึ่งวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมในย4ชั่วโมงนั้นเนี่ยต้องเราเราต้องหาเวล า, าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานหลวงตา่าดีหลวงปู่ชาคนดีนะ ถ้าหากว่ามีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็มีเวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีเวลาที่จะภาวนาได้ใช่ไหมจะเป็นเสียแต่เมื่อลมมันหมดาจากจ ม, มูกเท่านั้นแหละหมดโอกาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าว่าลมยังมีอยู่ในหายใจเข้าหายใจออกอยู่เราต้องมีโอกาสประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นอย่ า, อ, าอย่าทิ้งโอกาส อ, าอย่าทิ้งโอกาสอย่าปล่อยโอกาสอา ที่ว่าไม่มีเวลาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คคำอย่างนี้กันพวกเราคนนํามาคิดดูจริงไหมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราเพราะนั้นวันหนึ่งกลางคืนถ้าไม่เหนื่อยมากเราก็เออเอาไปไหว้พระเสร็จแล้วหาหมุมสงบก็นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าขออกพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละเราเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเรื่อยเื่ย เออมันใจิตใจของเราจะมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าศรัทธาญาโจรลูกหลานนะเอ่อใจิตใจของเราจะมั่นคงแต่บางคนก็ถามว่าเออผมปฏิบัติมานี่ก็ไม่เห็นมันมีอะไรทําไมใจิตใจของผมเนี่ยมันยังไงก็ไม่ทราบเออมันทําไมไม่รู้ว่าก้าวหน้ายัางไงมันก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้ก็เคย ม, มีมีผู้มาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อเออเราคิดอย่างงั้นมันก็ใช่ ก็มีส่วนพอเราทำไปเรื่อยๆแต่ตามไม่จริงเรานึกย้อนหลังด้วยซิตั้งแต่เรายังไม่เคยเข้าวัดเออเราไม่เคยเข้ามาสู่วัดวาศาสนายังไม่รู้คำทัดพระธรรมคาสอนเนี่ยเราอยู่ก่อนๆ น, นั่นอ่ะยังไม่เคยเข้าวัดเลยยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเออแล้วก็มามานึกดูเดี๋ยวเนอจิตใจช่วงนั้นกับจิตใจช่วงนี้น่ะมันเหมือนเก่าไหม ถ้ามันเหมือนเก่าก็แสดงว่าถ้ามันร้ายกว่าเกา่าร้ายกว่ายังไม่เคยเข้าวัดแปลว่าเราเข้าวัดมาเนี่ยปฏิบัติมาแล้ขาดทุนปนปีแต่ถ้าว่าพวกเรานึกดูใช่สมัยก่อนก่อนจิตใจเป็นบัตรแบบนั้นเมื่อเราไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่บัตรนี้เรารู้สึกว่าจิตใจของเราถึงจะไม่ก้าวกระโดดแต่จิตใจของเราก็มีหลักมีกฎมีเกณฑ์รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้รู้จัก การสถานที่การละเทศะการวางตัวและการปฏิบัติตนตรงไหนที่ยังขาดหรือขาดตกเราก็มองเห็นได้แต่ก่อนเราไม่รู้เลยในเรื่องอย่างนี้ถึงยังไงเราถึงจะไม่ให้คะแนนตนเองเราก็ควรจะรู้ได้แล้วว่าหนึ่งการมาปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถึงจะไม่ได้กำเรากำลังก้าวกระโดดแต่ก็เราก็ภาคภูมิใจในระดับหนึ่งเรารู้รสินรู้ธรรมรู้บุญรู้กุศล จิตใจของเรายกระดับขึ้นมาในระดับหนึ่งถึงจะไม่เป็นพระอริยะบุคคลก็เถอะนะแตยกจิตใจของเราขึ้นมาในระดับหนึ่งเราเ ร, เรียนรู้ธรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทางปวงเราให้สังเกตตัวเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนั้นการปฏิบัติชินปฏิัติธรรมในหลวงพ่อเก็บหอมลอมริบไปเรื่อยๆนะลูกหลานขนา้าราชกาญาติโยมนะเหมือนกับน้ําที่เราเปิดฝาตุ่มฝาโอง่ง ขนาดปีหนึ่งมันตกฝนตกเพียงสามสี่เดือนตกที่หยดทีลระยาดน้ํามันยังเต็มเต็มตุ่มเต็มตุ่มเต็มโอ่งขึ้นมาได้เพราะมันเปิดฝานี้ก็เหมือนกัน่ะจิตใจของเราเปิดต่อคุณงามความดีเปิดเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อยเก็บหอมรอมริบเข้ามาแล้ก็เต็มตุ่มเต็มโอ่งขึ้นมาได้อีกสักวันหนึ่งความชโชคเหมือนกันนะการศรัทธาญาติโยมไม่ใช่แต่ความดี เราเปิดไปในทางที่ชั่ววันหนึ่งกินเหล้าเมืองหนึ่งเมาสุราวันหนึ่งฆ่าสัตว์เก็บแต่ของสีชั่วๆเข้ามาเปิดรับเปิดรับในสิ่งที่มันชั่วนะความชั่วก็เข้าเต็มมาเต็มหัวใจเราอีกเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่แต่ความดีนะเพราะฉะนั้นความชั่วนปิดไว้พา ย, ยายามปิดปิดนะปิดความชั่วอย่าให้มันไหลเข้ามาสู่เจตจิตใจแต่พา ย, ยายามเปิดคุณงามความดีเปิด ช่องบุญช่องกุศลให้เข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นและทีละเล็กทีละน้อยต่อไปจิตใจของเราก็เ อ, อิบอิ่มมีแต่ความพาสุขไปนะัสถานที่ใดกับมีความมั่นใจลึ ก, ลกในจิตใจของพวกเรานะเอาเธอเกิดมาทั้งทีชีวิตในชาตินี้ข้าพปเจ้าไม่หลงไม่ขาดทุนในเกิดการเกิดม า, าเป็นมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พบธรรมที่องค์หลวงตาของเราได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวข้าพเจ้าไม่เสียชาติเกิดมาในชาตินี้ฮะอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสำนึกอย่างนั้นนะออเนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการมองตนเองปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองไม่มีใครที่จะทําให้เราได้จุดนี้มีนอกนอกจากตัวของเราเท่านั้นละ่ะ เป็นผู้เป็นผู้ทำนะต่อนนไฟพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนัตถนีนะ